ลูกรักทั้งหลายสำหรับวันนี้เป็นวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้ารอยี่สิบสองเป็นนั้นว่าการบันทึกนี้ใช้บันทึกวันละสองคัสเศอาการต่างๆที่พ่อเล่าลูกมารู้สึกว่าจะสัมผัสการมณ์ที่ไม่ถูกใจอยู่มากนี่บรรดาลูกทั้งหลายก็คงจะคิด ว่าอารมณ์ที่ไม่ถูกใจนี่มันเป็นเหตุที่กำลังใจสั่นสะเทือนก็ส่วนใหญ่ที่มันเกิดก็เกิดจากกำลังของโทสะ เ, เหตุที่ก็สร้างขึ้นนั้นมันเป็นเหตุที่สร้างให้เกิดโทสะถ้าลูกจะถามพ่อว่าลูกมีพ่อมีโทสะบ้างหรือเปล่า และพ่อมีความรู้สึกอยู่อย่างหนึ่งลูกรักซึ่งเป็นอารมณ์ประจำใจของพ่อคือนถ้าว่าอะไรไม่เกิดขึ้นแล้วก็พ่อมักจะไม่โทษคนอื่นอย่างที่มีท่านผู้เป็นอรชีท่านหนึ่งเวลาที่พ่อสอนกรรมาฐานก็ดีือทากิจเนี่ยในการกุศลคนดี บางครั้งเขาก็ใช้เครื่องเยยเสียงเต็มอัตราดังเต็มที่เกือบจะสอนกันไม่รู้เรื่องนี่เป็นการหนึ่งบังทีพ่อทำอะไรขึ้นมาซึ่งเป็นของสงเขาก็พังเขาก็ทำลายเสียและบางครั้งกิจที่ยวทำเพื่อสงเขาก็ถืออำนาจว่าเขาเป็นผู้มีอานาจ เขาก็ยักยั้งห้ามปราบทำลายศรัทธาเขาบรรดาทั้งพัตรบริษัทแต่ความจริงบุคคลพวก น, นี้พ่อให้ทุกอย่างแม้แต่สถานที่อยู่ก็สร้างให้น้ำกินน้ำใช้ก็ทำบระปาให้และเดิมทีก็ให้ลาบเสกาละหยุดเสมอแต่เขาก็ทําอย่างนี้อาการนี้ทาอย่างนี้ถ้าเป็นลูกบ้าง ลูกก็คงยิคิดโกรธแต่ความจริงถ้าเราโกรธเราก็เป็นผู้แพ้คําว่าผู้แพ้ในที่นี้พ่อไม่ถือว่าเป็นการแพ้บุคคลเป็นการแพ้กําลังใจของเราที่ตั้งไว้เออจิตใจของเราที่ตั้งไว้นั่นก็คือเราตั้งไว้เพื่อพระนิพพาน โดยการพูดอย่างนี้บางทีท่านที่เป็นนักปริยัติหรือว่นักปฏิบัติก็ตามท่านจะคิดว่าเป็นการคิดที่เป็นการอดอุตริมนุสธรรมรอเองเพียงแค่กําลังคิดนั่ไม่เป็นไรแต่พูดก็เป็นการอดอุตริมนุสธรรมถ้าเป็นอย่างนั้นนะก็บรรดานักเทศทั้งหมดก็เป็นผู้อดอุตริมนุสธรรมทั้งหมด และก็ น, นักสอนทั้งหมดก็เป็นผู้โอดอุตริมนุษธรรมทั้งหมดทั้งนี้เพราะไรนักเทศก็ดีนักสอนก็ดีมกักจะปรารบเรื่องพนิพาน์ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสในการปรารบพนิพา น, น์นี่ความจริงเมื่อสมัยพอบบ่อโบสถพ่อใช้คำขอบรรมชา ในตอนหนึ่งว่านิพานัสะสถิกริยายะเอตังกาสาวังไหตวาซึ่งแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวพัดมาเพื่อทำให้แจ้งเสียงพระนิพพานแล้วอุปชาก็สอนตะจากบรรยากาศกรรมฐานคือเกสาโลมานคาทันตาตโจเป็นต้น เวลาท่านสอนท่านก็ บ, บอกว่าให้ตั้งใจตัดขันห้าเอววางภาระของขันห้าเสียว่าขันห้านี้มันเป็นของสุกปรกมันเป็นของไม่เที่ยงแยกประการสามที่สองมีการเกิดแล้วกแก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายมันเป็นทุกข์เราควรหาทางวางภาระของขันห้าเสียเพื่อพนิพาน์ โอุปชาของพ่อสอนมาอย่างนี้เวลาขอบรรทชาก็ขออย่างนี้และหลังจากนั้นท่านก็นสอนวิธีเพื่อพ้นิพันธ์พ่อจําได้เพราะก็มาคิดว่าเรื่องอะไรที่มันเกิดที่นี้มันไม่ใช่ความผิดของท่านผู้นั้นมันเป็นความผิดของเราความผิดของเราก็คือหนึ่ง เราสร้างกรรมที่เป็นอกุศลไม่มากกรรมที่เป็นอกุศลเข้ามาตัดรอนเรา เ, เพื่ทำเน้เมื่อเรามีความปรารถนาความดีแต่ว่าถ้ากรรมที่เป็นอกุศลมาตัดรอนเราเราก็ไม่ยอมแพ้กรรมที่เป็นอกุศลทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเรายอมแพ้ถ้าเหตุแห่งความโกรธเกิดขึ้นเรากโกรธเราก็แพ้ เหตุเป็นราคะเกิดขึ้นเราส่งเสริมราคะเราก็แพ้เหตุเป็นโลภะเกิดขึ้นเราพอใจในโลภะเราก็แพ้นี่เราก็มายึดถือร่างกายว่าการด่ากันว่าการแกล้งการแก ล, ง, กลงวัตถุที่ถูกทำลายเป็นเราเป็นของเราแต่ความจริงนั่นมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถ้าเราคิดว่ามันเป็นเราเป็นของเราก็แพ้ นี่กำลังใจตอนนี้พ่อทันยังไงพ่อเมีอารมณ์อันหนึ่งซึ่งมันเป็นจุดที่มีความสําคัญสําหรับพ่อและอาจจะไม่มีความสําคัญสําหรับลกกูกคนไายเพราะว่ากําลังใจไม่เสมอกัน <c oughs> การรักษากําลังใจในพุทธศาสนามีหลายร้อยแบบแต่ละแบบก็มุ่งจดจบคือพระนิพพาน ถ้ามีอะไรมากระทบกระทั่งขึ้นพ่อก็มักจะปกเป็นปกติพ่อใช้สัพพภาวนาให้จิตทรงตัวอยู่ว่านิพานังประมังสุ ข, ขังหรือว่านิพานสุขขังในตามปกติก็คิดว่าพระนิพานสุขขังภาวนาไว้เรื่อยจิตมันก็จับพระนิพานเป็นอารมณ์อารมณ์ใจก็มีความสุข มีประการหนึ่งพ่อมื่จะทนไปถึงประวัติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปประเทศไหนเขากนด่าพระองค์ประเทศนั้นไปที่ไหนก็ถูกแกล้งที่นั่นแต่องค์สมเด็จพระพรทธวันก็ไม่ทรงโกรธแม้แต่ในสมัยที่พระองค์ทรงเพ็นบารมีอยู่เป็นพระโพธิสัตว์ ก็ถูกริดรอนความดีมาตรร่างกายชื่อเสียงอยู่สม่ำเสมอพระองค์ก็ไม่มีความท้อถอยเพราะมีความรู้สึกว่าอุปสรรคเป็นปัจจัยเข้าถึงจุดความมุ่งหมายปลายทางของเราแต่ว่าคำภาวนาวนิพานสุขนิพานสุขขังได้ทําไม่ขึ้นใจอาจิตจับพระนิพพานเป็นอารมณ์ คิดว่าการถูกด่าถูกว่าถูกกั่นถูกแกล้งมันใช้เวลาไม่กี่วันชีวิตนี้ที่รับปาจา ย, ย่านั้นไม่กี่วันถ้าเราไปโกรธไปโลภไปหลงไปรักนย่จะต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารหานประมาณไม่ได้ฉะนั้นเราตัดสินใจยอมรับชีวิตลานี้ คือใช้สังขารเปรคขายานถ้าจิตยังไม่ถึงสังขารเปขคขายานก็ใช้อุเบกขาเฉยๆวางเฉยเสียคิดว่าคนด่าเราคนกันแกล้งเราทางไปของเขาคือธานรกแต่บางทีถ้ามันมีความรุนแรงพ่อก็ไปสำนักคัมภีร์ยมไปขอสเปิดดูบัญชีของท่านผู้นั้น เราก็จะรู้ว่าท่านผู้นั้นท่านจะอยู่ในรกขุมไหนเป็นขุมใหญ่แล้วมีอายุเท่าไหรและก็จะต้องผ่านอะไรบ้างอย่างนี้แล้วก็เกิดความสุขตั้งนี้พอ่อะแตรู้ว่าเขาจะไปในรกเราไม่ยอมไปแต่ความจริงพ่อม่ได้คิดว่าจะให้เขาไปในรกเป็นดูกิจการที่เขาทำเ้าด่าเราเขาแกล้งเราเขาไปไหน ถ้าเราไปยอมรับนับถือโดยที่เราโกรธเราโต้อตอบเราก็ไปที่นั่น <c oughs> กำลังใจอย่างนี้พ่อรักษามาตั้งแต่วันแรกของวันอุปสมบทในพระพุทธศาสนาลนต่อมาเมื่อกำลังจิตเข้าถึงนิพพานได้ยามปกติพ่อถือสอนจุดเป็นสำคัญ จุดแรกคือไปพระจุลามุนีเจดีสถานไหว้ท่านผู้มีพระคุณทั้งหมด <c oughs> แล้วจุดที่สองก็ไปหมายพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปนั่งอยู่ที่นั้นก็มีความชื่นใจแล้วต่อไปก็ไปสถานที่ของตนแต่ว่าสถานที่ของตนไม่แน่นัก บางทีพ่อก็ไม่ไปนั่งอยู่หน้าพระพุทธเจ้าสบายใจกว่าหมดเวลาก็ลงทำอย่าง น, นี้เป็นปกติไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนบางทีนั่งคุยอยู่กับคนอยู่ปากคุยอยู่ที่นี่แต่ใจพ่ออยู่ที่พระพุทธเจ้าเนื้อปากคุยอยู่ที่นี่ก็ใจอยู่ที่ท่านปู่ท่านย่ามีความสบายใจมาก นี่เป็นการรักษากำลังใจของพ่อที่พ่อบอกว่าคนนั้นผิดสัญญาคนนั้นว่าคนนิ้ดาคนนั้นแกลง้งพ่อพูดให้ฟังเมื่อเวลาที่พ่อทำจริงๆพ่อใช้อารมณ์อย่างนี้นี่หมายถึงว่าตอนระยะกลางละระยะปลายแต่ว่าตอนระยะตน้ตนๆความหวั่นไหวไม่ก็มีวันนี้ก็มาคุยกันที่ว่าเรื่องการตายครั้งที่สี่ เมื่อปีพศอ2507อท่านมรูวิชาญเชยคุณนิมนหลวงพ่อมาอยู่ที่วัดป่ากลองมาคำเท่าแต่ความจริงตอนนั้นพ่ออยู่ก่อนหน้านั้นพ่ออยู่ที่สำนักเจริญพระรรมฐานสำนักหนึ่งซึ่งเป็นสำนักที่แปลกที่สุดพระปฏิบัติตามแบบของพระมา ถ้าใครแมว อ, อย่างเขาเนี่ยเขาบอกว่าก็หาว่าเป็นเต่าล้านปีและแกก็นั่งดา่านั่งว่าเป็นปกติเดิมทีก็รู้สึกว่าจะเป็นคนดีแต่ต่อมาอยู่เขา้าอยู่เขา้าก็รู้สึกว่าทั้งคณะของเขานั่นแหละทุกคนที่จะเข้าปฏิบัติต้องเอาแบบของเขาทุกอย่าง ดึงความจริงแบบปฏิบัติโดยกรรมาฐานมีทั้งหลายสิบแบบมันก็มีผลเท่ากันท่นนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีความหวังว่าจิตใจของคนไม่เสมอกันบางคนชอบอย่างนั้นบางคนชอบอย่างนี้ยังจริตมีทั้งหกจริตกรรมาฐานเฉพาะจริตมีสามสิบอย่าง ถ้ามาฐานกลางมีอยู่สิบอย่างรวมเป็นสี่สิบถ้าใครหนักในจริตไหนก็ห้ามหันจริตนั้นก่อนแต่แบบปฏิบัติเขาสํานักนี้เขาปฏิบัติแบบเดียวแบบบังคับให้กินข้าวเย็นอย่างเดียวไม่มีกลับในเมื่อพ่อไม่ปฏิบัติตามเขา เขาทั้งกันนะาก็พากันสาบ พ, พันแช่งกันดา่ากันบ้านิ น, นทาเสียดสีต่อหน้าแกลงแกล้งโดยประการทั้งปวงแต่ว่าจุดนี้ลูกทำให้พ่อเห็นว่าคนที่อยู่ในขอบเขตภากาสาวพัฒน์คนดีที่นั่งหลับหูหลับตาเป็นนักวิปัสสนา่างคนดีพวกนี้แทนที่จะเป็นผู้สูงขึ้นกับลงอเวจีมหานรก พ่อก็เลยไม่ไปกับเขานะ่ะเขาเจะด่าเขาจะว่ายังไงก็ช่างเขาพ่ออดเฉยแต่เป็นเหตุใหจิตของพ่อวิ่งตัดอารมณ์ดิ้งเร็วยิ่งขึ้นคล้ายกับเวลานี้เราถูกสุนัขบ้าไล่กัดแต่ได้หากว่าเรายอมให้สุนัขบ้า ก, กัดเราก็จะบ้าไปตามสุนัขด้วย <c oughs> ไม่ช้าเราก็จะเห่าจะหอนเหมือนสุนัข แลวเราก็ตายดันั้นกำลังใจของพ่อจึงทำเฉยๆยิ้มได้ตลอดพ่อยิ่งเฉยไม่ปฏิบัติตามเขาคนที่ไปหามาสู่ก็มีมากท่านก็เลยเกิดอารมณ์อิจฉาดิสียาท่านก็โกรธท่าก็ทำกันหนักนนสุดเวลานี้คณะของท่านไม่มีได้อะไรเลยเรามีอย่างเดียวสะสมความโลก เงินที่เขาทำบุญขึ้นมาสร้างอะไรก็ไม่เสร็จเพราะว่าไม่ได้สร้างไอเท็จมาได้ก็เก็บเข้าธนาคารถ้เาเงินมาทำบุญทำทานก็เก็บเข้าธนาคารหวังดอกเบีย้ยดีไม่ดีก็หวังตนด้วยนีเราไปฟังอย่างนี้ก็เพื่อรู้จักจการรักษาอารมณ์ อารมณ์ของพ่อก็ตั้งไว้จุดเดียวคือนิพพานสุขขังอีอย่างอย่างหนึ่งก็ถือว่าช่างเขาในเมื่อเขาจะไปอบาเยภูมิเราก็ไม่ไปด้วยเราจะไปกับเขาทำไมใจมันก็เป็นสุขเขาได้ล้วก็ยิ้มได้เขาเสียสีแล้วก็ยิ้มได้และต่อมาปีสองพันห้าร้อยเจด ท่านพระครูวิชาชัยคุณก็ผ่านนิมนต์มาช่วยที่วัดป่าคลอมะคาเท่าวัดนี้ก็ช่วยอยู่สองปีก็สองพันห้าร้อยเจ็ดกัสองพันห้าร้อยแปดปีสองพันห้าร้อยเก้าก็ไปช่วยที่วัดสะพานอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทตอนนี้สําหรับวัดป่าคลอมะคาเท่านี้พ่อก็อยู่ มาสองปีเป็นนว่าวัดนี้ก็มีทการช่วยเหลืออยู่มากไม่กันแต่ว่าตามกําลังไม่มากนักหนึ่งพอพ่อมารู้สึกว่าแขกที่ไม่เคินสนใจในวัดป่าครองมะคำเท่ามาก่อนก็มาโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งคนตลดนาดอาเภอวัดสิงห์เองอยู่ติดกับวัดป่าครองมะรำเท่า บางคนบอกว่าไม่เคยมาวัดป่าคลองมะคำเท่าเลยแล้วก็มามาเป็นโยมระวนาท่โย ม, ะมละโมลร้านละโมลพาณิชย์เป็นต้นติหวนหนุยแล้วก็เยอะแยะเกือบท่านตหลาดเข้ามากันทำให้วัดป่าคลองมะคำเท่ามีอาหารเพิ่มขึ้นแพรภายนอกก็มีมากขึ้นเจ้าเล็กทำกายก่อสร้างมาไฟฟ้าไม่มีแสงก็ทำให้แสงขึ้น เอืนแสงในห้องมีกริปรีจะ แ, แสงข้างนอกไม่มีเขาก็ตั้งมิเตอร์ให้มีความสว่างสวัยส่วมไม่มีเขาสร้างให้ส้วมให้สิบสองห้อง <c oughs> เป็นห้องส่วพิเศษพร้อมนห้องสวมห้องน้ำสี่ห้องคือนนนทาลูกนนทาไปช่วยสร้างให้ แล้วก็ทําอะไรหลาย ๆ, ๆอย่างที่ดําริคิดว่าจะทําให้มันดีขึ้นเยนงกติที่อยู่มันโยเยก็ซ่อมให้มันดีแล้วก็มีแผนการหลายๆอย่างที่จะทําให้มันดีขึ้นแต่โอกาสไม่มีในตอนนี้พ่อก็ต้องพบกับความตายจุดหนึ่งมันมันเป็นความตายที่เป็นกฎคงก ร, รมในชาตินี้เอง <c oughs> อันนี้พ่อก็อย่าพูดให้ฟังที่พูดให้ฟังถ้าไปกล่าวถึงใครแล้วก็อย่าคิดว่าพ่อไปโกรธเขาเป็นได้เพียงว่าเล่าสู่กันฟังเสื้อลมที่เข้ามากระทบ <c oughs> สาราปวัตประครางมาขำเท่าหนีความดีมีมากแต่ว่าหนักใจโยนิดในบุรีวาน บริวารที่เป็นฆราวาสในสมัยนั้นรู้สึกว่าจะชอบผลประโยชน์กันมากพ่อมาอยู่ที่นั่นท้ายวัดป่าครองมะคำเท่ารอยตัวจะกลายเป็นหนี้เป็นสินและก็ทำให้คนรู้จักวัดป่าคลองมะคำเท่ามากแต่ได้ว่าเป็นที่น่าเสียดายที่บริวารที่เป็นฆราวาสที่มีผลได้ กลับหาทางแกล่งแกล้งยุยงส่งเสริมท่านเจ้าวาดบางครั้งเขาก็ด่าต่อหน้าพ่อพ่อก็ไม่ได้โกรธเขาเรียกพ่อพ่อพ่อว่าหมาแต่ว่าคนประเภทนี้เนี่ยพอพ่อออกไปจากวัดประครองคำเท่าเขาก็สุดโทมเต็นทีไม่มีอยกินแล้วต่อมาก็มาอัส ต้องการจะศสยพ่อก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าคนอากตันยูพระอกระักตรันยูที่ไม่รู้คนคนพระพุทธเจ้าสุบรรณนามว่าเป็นคนเลวพ่ออยู่ที่ไหนไปแล้วพ่อไม่เหลียวหลังไม่ห่วงทรัพย์สินที่พ่อทิ้งไว้วัดนี้ก็มากแมว่าเขาถาวายวัดที่วัดไหนพ่อไว้วัดนั้น เป็นอันว่ามาอยู่ที่นี่ก็เริ่มเจริญพระกรรมฐานสอนพระตามปกติสำหรับเคราวาสไม่ค่อยมีมามันเป็นการเริ่มต้นแห่งการสอนพ <c oughs> ระเนรนก็รู้สึกว่ามีความขยันมันเพียรดีมากบางท่านก็ถึงเอาจริงเอาจังบางท่านที่บวชเข้ามาใหม่เป็นนายทหาร ทำไม่กี่วันเธอก็ทํามีผลเป็นพิเศษน่าสั่นเสือนพระที่วัดนี้ก็รู้สึกว่าดีหนึ่งขยันมันเพียในการศาึกษาท่านนักธรรมระบาลีในรการที่สองก็มีความเียันมันเพียในการงานเพราะนั้นว่าวันหนึ่งพ่อก็มานั่งคิดทิงความตาย ว่าความตายมันจะเข้ามาใกลพ้พ่อถ้าเวลาพ่อตายหนี้สินมันมีอยู่ทำยังไงดีล่ะไม่มีสตังใช้เขามันก็แย่ไม่อุณหนาฟ้าข้างมาเวลานี้ยิงได้คิดทำพระตามแบบฉบับที่เวลาที่จเจริญพระกรรมฐานท่านมาบอกให้ทำพระใช้แต่กวดหลอมวันหนึ่งใช้วิธีสูบใช้เครื่องเป่าทองมาสูบ พอดีอันตรายมันเกิดขึ้นน้ำมันเบนซินมันไหลไฟก็ไหมมือท่านมาหาชใจสิทธิ์อยู่ใกล้ก็นดับไฟข้างล่างครูจะไหมกุติแต่ไฟที่มือของพ่อมันติดอยู่แดงโชดพ่อสะบัดไปคั้างหนึ่งมันไม่ดับสะบัดอีกทีรู้สึกว่าดับก็ดีใจว่าไฟดับไปดูแล้วจริงๆปรากฏว่าหนังมือตั้งแต่ข้อมือลงไป พ่อลงไปติดที่ปลายนิ้วนิดเดียวทั้งข้างหน้าข้างหลังเหมือนกับพ่อใส่ทุงมือแล้วก็ถอดทุงมือออกแต่ว่าตรงปลายนิ้วมันติดอยู่พ่อเห็นเข้าก็รู้สึกว่านี่มันเรื่องธรรมดาจิงคิดในใจว่านี่มันกรรมอะไรนะเราคิดจะทำพระจะทำตามแบบปฏิบัติที่พระท่านบอก ทำาไมไฟเมือไม้ไหมมือฝาหนังลอกไปจนหมดเนื้อขาวจองแล้วพอก็นั่งฉีกหนังที่มันติดปลายนิ้วนิดๆเอาหนังออกแล้วเหมือนก็ไปปลอกทุบมือถึงหลดออกขณะที่ฉีกหนังก็ปรากฏว่าเห็นภาพควายตัวหนึ่ง ย, ยิงผ่านหน้าไป หางควายมีไฟจุดแดงก็นึกขึ้นมาได้เห็นภาพจำได้ว่าเจ้าควายแก่ตัวนี้ไม่เคยเข้ามากินข้าวในลอมไล่มันเท่าไรเท่าไรมันก็ไม่จำตีมันแล้วมันก็ไม่จำตอนี้สุดก็หาทางเอาไฟเอาฟางมาพันหาแล้วก็จุดไฟมันมันก็วิ่งไปเพื่อความร้อน นับแตนวันนั้นเป็นต้นมามันก็ไม่มารกวนกรรมนี้ฟังฟังแล้วคล้ายๆกรรมของกัรหาในชาลีเป็นนั้นว่าหิ้งควายวิ่งผ่านไปเ็าก็ทราบในกรรมในชาติปัจจุบันนั่นเองเข้ามาสนองพ่อจิตพ่อก็มีความสุขมีความรู้สึกในใจว่าดีแล้ว กรรมนี้มาดึงเราชาตินี้ในเป็นการดีแล้วก็ขอชดใช้กรรมติงเรสั่งให้นเนนที่อยู่ประจำไปซื้อยาที่ตลาดอเอามาใส่แต่มันก็น่าแปลกใจลูกรักพ่า ก, ก็ชะเพ่า ก, ก็ล้างพ่อ ก, ก็แผลพาะทำงานอย่งพ่คนเดียว นั่งอยู่เวลาประมาณสักหนึ่งชั่วโมงมันก็ไม่มีความร้อนมันก็ไม่มีความเจ็บแต่ถานวาจิตตานั้นพ่อมีความรู้สึกยังไงพอรู้สึกว่าหนังลอกพ่อก็รู้สึกว่าเป็นการชัดใช้ยช้ย ช, ยชดกรรมก็ดีแล้วแต่ใจเวลานั้นจับผนิพานเป็นอารมณ์ จิตก็จับว่านิพพานสุ ข, ขังร่างกายมันยัพังก็ช่งเราขอปานิพันธ์ใจก็สว่างสวัยเห็นองค์สมเด็จไปจอมไตรปรมศาสนา์ลอยอยู่เฉพาะหน้าของพอ่อทรงแย้มประโอ์และก็มีรัศมีกายผ่องใสมากทรงทรงเป็นจักรพรรังสีรัศมีวออ ก, การความชื่นใจมันก็เกิด ใจมันไปจับที่พระพุทธเจ้าพระเทนพดเป็นคุยด้วยพ่อก็พูดคุยตามปกติได้งานใจในรูป ล, ลักษ์ถ้าเราทำจนชินมันจะทำได้หลายๆอย่างพร้อมกันใจจับจุ่ที่พระพุทธเจ้าโดยและก็เอาแล้วก็มาพูดมาคุยกับชาวบ้านโดยอันนี้ไม่มีการเนื้อไม่มีจะไม่มีการเลอะเลือน ทำงานได้พร้อมกันหลายอย่างก็นึกถึงพระอินทร์ที่มีศัพท์ว่า ส, สเนเสโตพระอินทร์มีตาทั้งพันแต่ความจริงไม่ใช่ตาหมายถึงอารมณ์ที่เป็นทิพย์ท่านสามารถจะคิดงานจะในเวลาเดียวกันได้พันเรื่องในอารมณ์ที่เป็นทิพย์ท่านทาได้หลายหลายอย่างเราไม่ใช่พระอินทร์ เราเป็นคนจะทํางานคราวเดียวสองอย่างจิตอยากพระจับพระพุทธโลด้วยทรงอารมณ์อนิพาตอนิพานาสุขขังโดยป้าก็คุยกับพระพร ะ, พระท่านก็นถามว่าเจ็บไหมพอเวลาหนึ่งชั่วโมงสเสศษก็มีความรู้สึกว่าเจ็บตุกตุพอเจ็บตุกตกุเกิดขึ้นความรู้สึกมันก็บอกว่าปอเดี๋ยวจะเป็นแตะคิว มันตก ต, ก, ตกในน้อยนะไม่ถึงแค่เจ็ดเปอร์เซนเพราะก็บอกพ่อบอกว่าพ่อขอเวลานอนประเดี๋ยวบางทีแผลมันจะเป็นอันตรายพร <c oughs> ะถ้าเราล้อมถามมาร้อนไหมเจ็บไหมก็บอกว่าเวลานี้ไม่รู้สึกร้อนแล้วก็ไม่มีมีความรู้สึกเจ็บเลยเฉยๆ <c oughs> มือขวาที่หนังหลาะจากข้อมือออกไปไมันก็ถูงมือถูก ถ, กถอด กับมือมือซ้ายที่มีความรู้สึกอย่างไง ม, มือซ้ายมีความรู้สึกอย่างไหนมือขวาก็มีความรู้สึกอย่างนั้นแต่ว่าพอหนึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วก็ปรากฏว่ามีเส้นเต้นตุบๆไปน้อยก็บอกพระบอกว่าขอนอนสักนิดนะก็เลยเข้าห้องนอนพอเข้าห้องนอนนมือวางไวพ้พอสบายสบาย แล้ก็ตั้งใจว่าทําใดที่องค์สมเนจพระจอมไตรปรมัสสะเสราสงกรดว่าชาติทุกข์าความเกิดเป็นทุกข์ชราวทุกข์าความแก่เป็นทุกข์พระนำ้ำทุกข์ขังความตายเป็นทุกข์ร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นของจริงเพราะว่าเวลานี้ร่างกายที่เราไม่ต้องการให้ไฟมันไหม้มันก็ไหม ความเจ็บรู้สึกว่ามันกระเตื้องขึ้นนิดหนึ่งพ่อก็รวบรวมใจคิดว่าร่างกายเอย๋ยเธอที่ประกอบไปด้วยธาตุสี่มีแต่ความสุกบกโรคคนิีทังเธอเป็นรังของโรคป่าพังคุน้นนางเธอจะต้องเปื่อยเน่าเปนนา็นธรรมดาเธออยากจะเปื่อยก็เปื่อยเธออยากจะเน่าก็เน่า เธออยากจะมีโรคก็มีไปเถอะฉันไปละฉันไม่เอาก็เธอละก็รวบรวมกำลังใจมันไม่ต้องรวบรวมกำลังใจแตมากก็คิดมาไปละทีก็พุ่งพลุกไปสู่บรรดุคำพลศิลา <c oughs> ไปไหว้ท่านปู่ทญาย่าท่านพูอมีพระคุณบิดามารดาทั้งหมดแล้วก็ต่อไปทีไปที่วิมานบนนิพพาน ไปนั่งไปถึงไม่บริพารก็สบายใจไอ้ร่างกายที่มันเป็นแผลมันไม่ได้ไปด้วยร่างกายนั้นมันสวยก็ไปนอนบนแท่งบนแท่นนั้นเป็นศตรีแพ ร, พ ร, พรพวัวร์นวลมันก็มีความสวยสดงามมีความสดชื่นตัวเองก็มีเครื่องประดับเป็นแก้วลูกรักทั้งหลายจะพูดต่อไปมันก็ไม่มีเวลาเส็จแล้วนี่โลก เวลาเลยเสร็จแล้วพ่อของวดก่อนนะเออฟังคัตเสร็จหน้าต่อไปขอความสุขสวัสดีจมมีได้ลูกรักทุกคนสวัสดี